แจ้งข่าวให้พี่น้องชาวอุดรพี่น้องแถบระแวกแถบนี้ปลงพ่อจะได้มอบอาคารวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตอนเช้าก็คงจะมีการบินทบาทรอบตึกหลวงตาจากนั้นก็คงจะ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 แล้วองคหนึ่งก็ท่านหลวงปู่มาจากอำเภอเริงนกทาอำเภอหลวงปู่สิงห์ทองอันนั้นก็แปดิบกว่าก็มาพักอยู่ที่นั่นองหนึ่งก็หลวงปู่สมพานมาจากอำเภอบึงการก็มาพักอีกมุมหนึ่งแล้วก็หลวงปู่อีกองหนึ่งมาพักแล้วองหนึ่งมาจาก ชัยภูมิอีกองค์ที่ห้ามันหมดสี่มุมแล้วจะไม่ไปไหนองค์ที่ห้าก็เลยมากั้นห้องสําหรับพระห้องพิเศษแต่ว่ามันไม่ใช่พิเศษแบบพิเศษแบบรวมกันแต่ก็ขาดห้องน้ำเหหลวงพ่อจะทํำยังไงถ้าพระเทระมาป่วยแล้วก็มีพระเถระท่านหนึ่งท่านก็บอกว่า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 อันนี้สง์เท่ากับปฏิบัติเราตถาคตคลายๆก็ว่าผู้ใดปฏิบัติภพิกสุขใ้ด้วยความตั้งใจใส่ใจก็เหมือนปฏิบัติปนนิบัติพระพุทธเจ้าอันนี้สง์มากอันนี้คือท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะนี่ก็พวกเราเออหลวงพ่อก็วันเนี่ยเรื่องมูลนิธิก็ดีเรื่อง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 นอนอยู่ในที่มงที่บางบ cool อันเดียวกับผู้ชายพระนะปรับอวบัดป้าจิตติแต่นอนที่มงที่บางอันเดียวกับผู้หญิงถึงจะอยู่ในห้องกว้างขนาดนี้ขนาดศาลาเนี่ยผู้หญิงนอนอยู่ทางนน้นผู้ชายอยู่ทางนี้แต่ผู้ชายผู้ชายเต็มไปหมดแต่ผู้หญิงมีอยู่คนหนึ่งนอนอยู่นู่นยังปรับอวบัดปลาจิตติพอนอนกับผู้หญิงนยังผู้หญิงนอนอยู่ในนั้นในนั้น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 เคารพ ก, กฎกติกาอันนั้นคือว่าพ ล, ลเมืองดีเป็นพลเมืองดีต้องปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าปฏิบัติพลเมืองเลลองร็วเหรอทำยังไงอันไหนที่จะได้มาอย่างไงผิดถูกข้าไม่ว่าขอให้ข่าได้จะว่าจัดเป็นพลเมืองดีได้ยังไงนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ดีพระสงฆ์ไม่ดีเราก็ไม่ถึงว่าพระสงฆ์เร็วหรอกแต่ท่านไม่เคารพในศีลและวินยัย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 เป็นพระไม่มีศีลแถวพระทุกองค์ใส่ชุดซะเหมือนกับคารวะเนียพระพุทธศาสนาก็หมดที่มียูนิฟอร์มอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติให้อยู่ในธรรมในในวินยัยในศีลพุทธศาสนาก็อยู่นานเท่านานศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่จึงจะหมดการปฎิสมัยพระพุทธเจ้าตรัสว่า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 ตึกหนีไฟก็ดีแจ้งข่าวทางพี่น้องอุดรต่อๆกันไปด้วยเนะื่ลงพ่อจะให้เขาประกาศด้ย ล, ละวันที่23วันอาทิตย์ที่23มกุมภาพันธ์เป็นวันมอบอาคารแต่เดี๋ยวนี้ถึงจะไม่มอบก็บเถอะนะรถขึ้นไปจอดเต็มไปหมดแล้วลงพ่อไปเมื่อวานเมื่อก่อนอา้าวรถทำไมหน้าโรงพยาบาลทำไมมันว่างขนาดนี้วาวันนี้วา่า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 ถ้ามันไม่หักไม่ถลม่มอายุปูนได้เวลาแล้วก็เอาใช้ไปเลยถึงวันที่เราจะมอบเรายังค่อยทำอีกพิธีอีกหัวงในมต์พระสงฆ์ขึ้นไปสวดมนต์ฉันเช้าแล้วก็มอบอาคารเป็นปิตยลักษณะจักหน่อยแล้วกระจบเพราะอาคารหลังนี้สร้างไปทั้งหมด80กว่าล้านนะศรทธ า, าตาโยมลูกหลาน80ดสิบกว่าล้านตึกสิบชั้น ถ้าจอดธรรมดาเนี่ยประมาณหก0ร้อยคั น, นถ้าจอดเข้าเกียร์ ว, ว่างถอยหน้าถอยหลังปิดท้ายรถรวมกันแล้วประมาณเจ็ดร้อยคันว่าตึกสิบชั้นไม่ใช่น้อยนะแบ่งเบาภาระในพื้นที่พอสมควรอยู่รับพรนะท่นอนุโมทนาให้พร